ลูกหลานอยู่ในความสงบพวกไหนฉันนี่ร้องในขณะที่หลวงพ่อขึ้นมาใหม่มันก็ร้องพอมันหนาวมาก่อนหน้านั้นพอมันร้องขึ้นมามันอุ่นขึ้นมาสามสี่วันเนี่ยมันร้องอีกแล้วเนี่ยมันฝนจะตกหรือมันจะหนาวคงปีแนวโน้มหรือจะหนาวอีก ร้องบอกให้เตรียมผ้าห่มให้เตรียมเครื่องกันหนาวไว้เน่ามันบอกมันก็รักพวกวัดพวกเราเหมือนกันนะมันเตือนเตือนมันบอกกล่าวเอาไว้ชนีสมชายอุตุประจําวัดวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปดธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะเป็นวัน ที่หลวงพ่อเคยย้ําเคยกล่าวเอาลูกหลานออกไปข้างนอกนะลูกหลานใครออกไปข้างนอกไปมันใหญ่ไม่ค่อยุขึ้นมาเออนั่นนะมันถึงอย่างไงมันกระจังเสียงดังอย่างเก่าเน่ะถึงจะให้มันปิดปากมันก็ปิดไม่ได้หรอกมันตัวเล็กมันยังไม่รู้จักความถ้มันใหญ่ซะก่อนจะค่อยเอาเข้ามา ช่วงนี้เป็นช่วงฟังทุกคนต้องฟังนะหลวงพ่อจะพูดให้ฟังหลวงพ่อก็ตั้งใจพูดเหมือนกันไม่ใช่จะพูดชุม 4, สี่ชุมห้อีกสักวันข้างหน้าลูกหลานอยากจะฟังก็คงคงจะไม่ได้ฟังเพราะหลวงพ่อแก่ในขณะนี้หลวงพ่อก็แก่เต็มทนแล้วไม่แก่ได้ยังไงจะดสิบเอ็เจบสเข้ามาแล้วจะพูดไปอีกกี่น้ําหลวงพ่อก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกัน เพราะนั้นลูกหลานมาหลวงพ่อมีอะไรกับพยายามถ่ายเทยวิชาความรู้ที่มีประสบะการณ์มาอย่างไรในศึกษามาอย่างไรในปฏิบัติมาอย่างไรหลายหลายแนวผสมประสานจากนั้นก็เป็นความคิดเห็นเป็นแนวความคิดแสดงให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังถ้าลูกหลานได้ยินได้ฟังแล้วก็จริงไหมจริงหรือไม่จริ ง, รงลูกหลานก็นเลือกได้ แต่หลวงพอ่อมั่นใจเป็นความจริงหลวงพอ่อจึงพูดให้ลูกหลานฟังเป็นแนวทางสําหรับการเรียนรู้การศึกษาพวกเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าไม่ได้ยินได้ฟังแล้วจะเฉลียวฉลาดไม่มีทางทั้งนั้นเขาคงจะไม่มีโรงเรียนไม่มีมหาวิทยาลัยขึ้นมาถ้าคนเกิดขึ้นมาแล้วฉลาดทีเดียว โรงเรียนก็ดีมหาวิทยาลัยกด็ดีเขาสร้างขึ้นมาก็เพื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาเพื่อจะให้คนได้รู้วิชาเรื่องนั้นๆก่อนที่จะเป็นวิชาเรื่องนั้นๆไม่ใช่มั ว, มวเมียขึ้นมาแล้วก็คิดใดคิดทำไม่ใชเ่เขาต้องมีประสบประการ์มาก่อน เ, อเขาต้องเรียนรู้มาก่อนศึกษามาก่อนจึงเป็นหลักวิชาขึ้นมา ถ้าว่าเราไม่ได้ศึกษาไม่เรียนรู้นะพูดออกไปเลยนะมันก็โกหกทั้งเพยนะ์ยกเมฆยกหมอกมาพูดนะมันจะเป็นหลักวิชาได้อย่างไรก่อนที่จะเป็นหลักวิชาได้กันเนะี่ยวิชาคณิตศาสตร์และวิชาการก่อสร้างอย่างนะี้ปูนซีเมนตนะ์เขาต้องศึกษาซะก่อนว่าอันไหนที่ขนาดกลางกลางขนาดไหนจึงจะพอเหมาะนะ สเต็งขนาดไหนจะพอหมาะหนึ่งสองสามหนึ่งคืออะไรหนึ่งคือปูนสองคืออะไรสองคือทรายสองกระป๋องปูนหนึ่งกระป๋องทรายสองกระป๋องแล้วก็หินสามกระป๋องอันนี้คือมาตรฐานแต่ใครจะทําให้อ่อนหรือทาให้แข็งกว่านั้นก็พยายามเพิ่มไปอีกเพิ่มปูนเข้าอีกปูนให้มากขึ้นปูนให้มากขึ้นมันก็จะแข็งแข็งมากขึ้น ถ้าจะให้มันอ่อนลงไม่จําเป็นจะต้องใช้แข็งขนาดนี้เราก็ใช้ปูนอ่อนลงใช้ทายมากขึ้นใช้เหินมากขึ้นนี่แหละก็คือเป็นหลักวิชาของเขาแล้วเออย่างกเกษตรก็เหมือนกันก่อนที่จะเป็นเกษตรกรที่จะปลูกข้าวหรือจะปลูกอะไรเขาต้องเรียนต้องศึกษาซะก่อนต้องได้มาตรฐานซะก่อนเราจึงเขียนเป็นตําราออกมานี่นี่แหละตําราออกมาจาก หากปฏิบัติถ้าไม่ได้ปฏิบัติจะก่อนจะเป็นตำราออกมาได้อย่างไรนี่แนหะวิชาต่างๆทั่วโลกเนะ่ยเขาไม่ใช่มัวเมียยกหมึกยกเมฆมาพูดมามากล่าวมันต้องได้เรียนรู้ศึกษาซะก่อนมีประสบะการณ์ซะก่อนจึงมาเป็นตำรับตำร า, า, รานะเพราะนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายจนมาถึงหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็บอกได้เลยว่า สุดตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟ <Hey. S 1> ังจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาเมื่อได้ยินได้ฟัง้จินตนาไม่ใช่ให้เช <test> ื่อทีเลสเชื่อ <rebels>. ท <t Cand> ีเดียวเลยไม่ใช่จินตนาคือไข่ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนว่าจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข่ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้น ภาวนามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบคือต้องทําจิตใจให้เป็นให้นิ่งซะก่อนให้เป็นหนึ่งซะก่อนเมื่อจิตใจนิ่งจิตใจสงบแล้วก็นํำมาพิจารณาการกลองไตรตรองในเรื่องนั้นๆอันนีน้เป็นปัญญาเป็นปัญญาวิปัสนาหรือเป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาปัญญาภาวนามายะปัญญาพวกเราคิด ท, ที่ถ้าคนเป็นบ้าให้มันคิดจะมันคิดได้ไหม จิตใจไม่อยู่กับเดิอ ก, ก็ตัวหรือว่าคนกําลังปรุงพุงสร้านกําลังคนมีทุกข์คิดอะไรตัวไม่อะไรแล้วจะให้มันมักคิดหาเหตุผลนั่นสมันคิดได้ไหมไม่มีทางนี่แหละคำว่าภาวนาปัภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจเห็นเนิ่งซะก่อนเมื่อจิตใจผ่านความนิ่งความสงบแล้วนํามาพิจารณาการกลองไต่ตรองเรื่องอะไรด้วยเหตุได้ผลยิ่งจะมาชําระกิเลส ในจิตในใจชั่มะกิเลสโลภโกรธโลงในจิตในใจของเรานั่นแหะจึงจะเห็นได้เรียกว่าภาวนามยะปัญญาแต่สรุปแล้วก็คือมาตั้งแต่เบื้องต้นสุตตะต้องได้ยินซะก่อนต้องเรียนรู้ซะก่อนต้องศึกษาซะก่อนสุตตะมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาใขว่ขวมทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้น ไม่ใช่ว่าเขาพูดขึ้นมาก็เชื่อทั้งหมดไม่ใช่อแล้วก็ทดลองอีกต่างหากเมื่อได้ยินมาแล้วเอาจากนั้นก็ทดลองดูแล้วยังยอมรับ อ, อย่างที่พระพุทธเจ้าดูก่อนสาเรบุตรเธอเชื่อไหมที่เราตถาคตตรัสหรือพูดลงไปเนี่ยที่ท่านให้พวกท่านได้ยินได้ฟังท่านเชื่อไหมยังก่อนพระเจ้าข่าเพราะข้าพระ อ, องค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติถ้าเมื่อข้าพระ อ, องค์นําไปปฏิบัติแล้ว ข้าพระองค์จะมากราบทูลพระพุทธองค์เมื่อภายหลังพระเจ้าข่านะให้ข้าเราจะต้องทดลองทดสอบดูก่อนจริงไหมนี่แหละในหลักธรรมความสอนของพุทธะเนี่ยท่านให้ใช้ปัญญานะ่ะให้ใช้ปัญญาให้ใช้การทดสอบทดลองดูก่อนเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนเ อ, อม่ใช่ว่าฟังขึ้นมาแล้วก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะไม่เชื่อนะเป็นไม่ใช่เป็นหมูเป็นเพื่อนของเรานะเออเราจะเป็นอยู่เป็นหมู่เป็นเพื่อนได้อย่างไง เพราะเราเ อ, อไม่ได้นําไปปฏิบัติเราไม่ได้การกรองไตรตองด้วยเหตุและผลซะก่อน น, ะนี่แหละในหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธานะท่านให้ใช้ปัญญานะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะ อ, อไม่ให้ใช่ไม่ให้บอกให้เชื่อทีเดียวนะ อ, อแล้วก็อเนยสงแห่งการฟังออมาในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอเนยสงแห่งการฟังผู้ฟัง ยอมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะได้เข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้เมื่อเราได้ยินได้ฟังบรรเทาความบรเทาความสงสัยเสียได้แต่เมื่อได้ยินได้ฟังเราทำความเห็นให้ถูกต้องได้เมื่อได้ยินได้ฟังเราทาความเห็นให้ถูกต้องได้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 บรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังจะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสเมื่อได้รับฟังหลักเหตุผลในเรื่องนั้นๆสบายใจนี่ะอันในสงแห่งการฟังเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะไปนักสถานที่ใดต้องฟังเมื่อท่านบอกเอาฟังนะคณะสัตยาติโยมลูกหลานนะตรงพ่อเนะ่มาทุก คราวทุกๆครั้งทุกวันหลวงพ่อก็พยายามแนะนำเอาความรู้ที่ได้ประสบปการณ์มาอย่างไรเรียนรู้มายัางไงปฏิบัติมาอย่างไรในตำรับตำราโบราณในพระไตรปิฎบท่านกล่าว ม, มาว่าอย่างไรหลวงพ่อจะพยายามเอาสิ่งเหล่านั้นมาผสมประสานกันมาบอกกล่าวที่หลวงพ่อได้ประสบปการณ์มาได้พบได้เจอมาแล้วก็มาถ่ายเทถ่ายทอด ให้คณะลูกศิษย์ลูกหาพระเนนอผู้ให้ให้ได้ยินได้ฟังอแต่หลวงพ่อก็ย้ำอีกว่านะพวกเราต้องเป็นผู้ซื่อตรงเอเป็นผู้ซื่อสัตย์ต่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธยาวถ้าหากว่าพวกเราซื่อตรงซื่อสัตย์สุดจริตนะเนี่ยต่างอย่างคนโบราณเขาพูดว่าถ้าซื่อซื่อตรง ไม่กลัวอดกินไม่หมดถ้าคดถ้าคดถ้าโกงโกงแล้วกินไม่นานชื่อตรงกินไม่หมดถ้าคดแล้วกินไม่นานคนโบราณเขาพูดมันก็จริงจริงพวกเราพิจารณาด้วยหลักเหตุผลแล้วและหลักฐานทำคำสอนอก็หลวงตามหาบัวท่านก็ย้าอีกว่าถ้าจะโง่แสนโง่อย่างไร ก็ให้โง no ่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยถ้าจะฉลาดจะฉลาดยังไงก็ให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยอที่เป็นพระที่ฉลาดที่น่าเคารพนับถือเลื่อมใสเพราะอยู่ในกรอบในหลักธรรมวินัยถ้าจะโง่ไม่รู้จักอะไรก็ให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยเป็นคนที่โง่พระที่โง่แต่ว่า หน้าเคารพนับถือเลื่อมใสเพราะอยู่ในหลักพระธรรมพิไไนัยอยู่ในกรอบหลวงตาท่านพูดมีเหตุผลในนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ทุกท่านทุกองคเหมือนกันพระทุกองคก็เหมือนกั น, ก น, กนถ้าฉลาดฉลาดออกนอกลกูนอกทางแล้วว่าตัวเองฉลาดนู่นอทําอะไรออกนอ ก, กรูนพกเราพิเลนพิเลนไปเรื่อยอแต่ตัวเองว่าตัวเองฉลาดแต่ต่อไปภายภาคหน้านะ ใครจะเป็นคนยอมรับตัวเองนะไม่มีใครยอมรับนะเ อ, อ้ยสมัยนะั้นอยู่ด้วยกับครูบาอาจารย์นี่แหละองค์นี่แหละไม่ในเรื่องเลยนะเออพาหมูออกนอกลู่นอกทางทำยังไงก็ไม่รู้ทำแบบโง่ๆแล้วจะเป็นผู้นาเป็นหัวหน้าได้ยังไงแล้วจะมีลูกน้องได้ยังไงทใครจะไปเข้าเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้กับเราเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงต้องมองดูอนาคตให้ไกล เมื่ออยู่กับครูบาอาจารย์ก็ต้องพยายามทําตัวให้เป็นพระที่ดีเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นที่ยอมรับของหมูพวกเพื่อนสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทําอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีเราต้องคิดทําพูดในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมอยู่ในกฎระเบียบถ้าอยู่ในกฎระเบียบนั่นละ่ะปัจจุบันนั่นแหละจะเป็นเครื่องบ่งบอกในอนาคตถ้าว่าพวกเราทำตัวไม่ดีในปัจจุบัน อนาคตก็มืดบอดอนาคตก็ไปไม่ไปไม่ถึงไหนเหมือนกันประนั้นไม่ไม่ชาบไม่ใช่วิชาทางโลกและวิชาทางธรรมวิชาทางธรรมก็เหมือนกันวิชาทางโลกก็เหมือนกันถ้าตัวเองว่าตัวเองฉลาดอไปอยู่กับหมู่กับคดโกงเอารัดเอาเปรียบหมู่พอจะได้เอาเปรียบเอาเปียบหมู่พวกเพื่อนอไม่คุ้มครองหมู่พวกเพื่อนหมู่พวกเพื่อนจะอยู่ได้อย่างไรใครใครก็รบมัดระวงังระแวงทั้งหมด และตัวเองจ ะ, ฉะเฉลียวฉลาดจะรุ่งเรืองไปข้างหน้าไม่มีทางคนคนนั้นเพราะความไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์กับหมู่กับคณะไม่ซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยกันนี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกคนถึงจะอยู่นะสถานณ์ไหนเมื่อเราเป็นฆราวาสก็ตามจะเป็นพระก็ตามาต้องเป็นผู้ซื่อตรงซื่อสัตย์กับหมู่กับเพื่อน ทำมือชื่อสัตว์ต่อหลักพระธรรมวินัยแล้วนะ่ะเออเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปทั้งโง่ก็ให้โง่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยถ้าฉลาดก็ให้ฉลาดอยู่ในหลักพระธรรมวินัยอย่างเป็นทางโลกก็เหมือนกันถ้าเป็นทางโลกก็ถ้าฉลาดอยู่ในคุณธรมธรมศีลธรรมจริยธรรมถึงจะอายุมากมายไ ก, กลขนาดไหนก็เป็นที่ยอมรับของคู่คนเพราะะไรเพราะอยู่ในหลักกฎนี่อยู่ใน กฎเกณฑ์ของคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเอถ้าหากว่าออกนอกลูก่นอกทา ง, ทางแล้วนั่นแหละไม่เป็นที่ยอมรับของคนเอถึงยังไงยังไงเป็นแผลอยู่ในจิตใจเพรานันขอให้พวกเราพระเนนทุกองค์นะอพูดทางนี้ทางนั้นขอให้พวกเราทุกทุกองนั่นะถ้าทําไม่จริงที่มันไม่ดีมันเป็นเป็นแผละนะเป็นแผลในจิตใจคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็สะดุ้งทุกที เพราะอะไรเพราะการกระทําของตัวเองในจุดนั้ดไม่ถูกต้องไม่ถูกตามหลักพระธรรมวินัยไม่ลูกไม่ถูกตามหลักธรรมคําสอนของพุทธะไม่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าไม่เป็นสากยบุตรพุทธชินโนรสไม่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าพระธาตเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วต้องซื่อตรงไม่มีนอกไม่มีในสุดซื่อสัตย์สุดจริตซื่อสัตย์กับตนเองซะก่อน ถ้าว่าตัวเองเลยังโคดโกงกับตนเองไม่ซื่อกับตัวเองเลยอย่าไปความซื่อสัตย์กับคนอื่นนะอย่าหวังเพราะอะไรเพราะว่าขนาดตัวเองก็ยังไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านอันนี้คือการเป็นอยู่การอยู่ด้วยกันนะถ้าหากว่ามีความซื่อตรงซื่อสัตย์ไม่ต้องกลัวอดถ้าซื่อกินไม่หมด ถ้าซื้อแล้วกินไม่หมดถ้าคดแล้วกินไม่นานนะให้พวกเราฟังฟังเอาไว้อันนี้คำโบราณเขาพูดเอาไว้มันจริงนะข้ามความซื่อสัตย์สุดจริตนะให้อยู่กับพวกเราให้พวกเราคิดด้วยสอในโลกนี้ถึงจะคดถึงจะโกงมาถึงจะทำอะไรมากกว่านะั้นเราจะอยู่ไปกี่ปีเราจะอยู่เป็นร้อยเป็นพันปีอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะถึง ขนาดได้ขนาดหนึ่งก็พอแล้วอย่างวัดของเราเนี่ยอย่างหลวงพ่อสอนลูกน้องบริวารผู้มาเกี่ยวข้องข้อสําคัญให้มีศีลมีธรรมเท่านั้นแหละให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ยอมรับเห็นไหมต่อแต่ละวันอาหารการบริโภคยังไม่พออยู่แล้วขนาดเนี่มันน่าจะเพียงพอฉันให้อิ่มแล้วกันนะลงมือประพฤติปฏิบัตริรักษาศีลรักษาธรรม จากนั้นก็ช่วยช่วยเหลือชุมชนสังคมแต่ก็ไม่ให้หนักใหญ่ไม่ใช่ว่าอยากจะช่วยเหลือชุมชนสังคมก็นอนแผลแล้วแผ่อีกขอแล้วขออีกเอขนาดผีก็ยังกลัวกลัวช อ, องผ้าป่าอย่ที่ว่านหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังเอเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดแผลขอจนเกินไปอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินยัยพอที่จะช่วยเหลือชุมชนได้ก็ช่วยเหลือถ้าเขาให้มาอย่างเมื่อวานเนี่ย เห็นให้มาเนะ่เราจะคิดอะไรแต่ว่าก่อนที่เราจะคิดเราจะช่วยอะไรเราก็ต้องบอกเจ้าของเขาก่อนเออเห็นด้วยไหมที่จะตุปจะตุปปัจใจที่ถวายมานะที่ถวายคราวนั้นนะลงพ่อจะทาอย่างนี้อย่างนี้เนอะครับเอาเลยลงพ่อตามนั้นละเออเอาเอา่าเราก็แจกให้บอกกล่าวันเออเอาเครื่องมือเนอะโรงเรียนเนอะให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนที่มีที่ไปมีที่มา เรามันเงินไม่ใช่เงินเรานะเป็นเงินก่อนที่เขาจะถวายเนะี่ยสังคัสสาโอโนชยามะสาธุโนพันเตีพิกุสังโคนะเขาน้อมถวายพระสงฆ์พระสงฆ์ก็คือใครก็ ค, คือลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยสากยบุตรพุทธชินโนรถที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นมันไม่ใช่ของเราเลยเพราะนั้นเราจะไปคิดว่าเป็นของเราได้ยังไงพวกเราชื่อชี้พระแต่ละองค์ถ้าเป็นค า, ารวาสเขาจะให้ไหม ไม่มีทางที่ทเขาจะให้แต่หลวงพ่อเป็นนายอินตาอินเขาจะให้ไหมอย่างนี้ไม่มีทางเหมือนกันอันนี้เป็นพระอาจารย์อินหลวงพ่ออินหลวงปู่อินหลวงตาอินบวชเข้ามาเป็นที่ยอมรับบวชเข้ามาในพุทธศาสนาว่าเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมพอสมควรเขาจึงได้มอบหมายความไว้วางใจนี่แหละเมื่อเขามอบความไว้วางใจให้กับเราเราเป็นใครเนี่ย เ, เราเป็นสยามภูรู้แจ้งเองใช่ไหมเราเป็นลูกศิษย์พระพุธทธเจ้าเป็นลูกศิษย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราจะต้องวางตัวอย่างไรต้องมองตัวเอ ง, อ, อ, งอย่างไรเมื่อจะถูกต้องอย่างไงเมื่อจะเป็นธรรมน่แหละสรุปแล้วก็คือไม่อย่าลืมตัวพูดง่ายๆเราอยู่ในสถานะไหนเราอย่าลืมตัวให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอย่าลืมตัวว่าข้าเป็นใคร ถามเมื่อไรข้าเป็นใครถามตัวเองกูเป็นไผ่เน่ยนั่นแหละเมื่อนั้นแหละจะมาลืมเจ้าของจนจนมองหาตัวเองไม่เจอเออเผลอๆจะเป็นผู้วิเศษวิโสขึ้นมาอีกนี่แหละมันโง่ความโลภโมหะตัว น, นั้น่ะคือเอความหลงตัว น, นั้นแหละมันความหลงตัว น, นี้นะมันอยู่หลายระดับ เ, เกินนะ เพราะนั้นให้พวกเราทุกๆุกท่านนะที่หลวงพ่อพูดทางนีทง้ทางนั้นให้ฟังเป็นแนวความคิดอย่างหลวงพ่อให้พูดให้ฟังนะสุดตรมย์ปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามย์ปัญญานะเ น, นี่ยอเนสงแห่งการฟังธรรมเนะี่ยนี่แหละสรุปแรกคือให้ใช้ปัญญาทุกระดับทุกขั้นตอนแต่พวกเราอยู่ในการพิจารณาอยู่ในการพิจารณาดูตนเองอยู่เสมอ น, ะนั่นแหละจะไม่ลืมตัวแล้วก็พร้อมกัน อย่าไปลืมคิดจุดปลายจุดหมายปลายทางชีวิตของเราถึงจุดจบแลวจะไปที่ไหนต้องคิดให้ถึงขนาดนั้นอีกนะไม่ใช่ว่าคิดจะจะมาทำมาหากินเลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องธรรมดาเนะี่ยไม่ใช่อันนี้เหมือนกับทางคิดอย่างนี้แต่คิดได้เพียงแค่นี้เนะี่ยแปลว่าความคิดแบบสัตว์ที่ไร้ฉานไม่แพ้กันเหมือนกับลิงตื่นขึ้นมาไปหากินกล้วย ไปหาขาโมยก็กินของในรถเขาอันไหนที่จะหามาใส่ปากใส่ท้องเนี่ยหามากินเออมันก็ไม่แพ้สัตว์ที่รฉันนะถ้าเป็นมนุษย์ขึ้นมาเราต้องคิดอีกทีหนึง่งนะการเลี้ยงชีวิต เ, เลี้ยงมาขนาดไหนเลี้ยงกับเลี้ยงไปเถอะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดอาหารการบริโภคครบหมู่ห้าทุกคำให้แพทย์ตรวจซะก่อนว่ามีโปรตีนวิตามิน ทกครบทุกอย่างเอากินเข้าไปคํำนี้ตัวเองเอถึงขนาดนั้นก็เถอะนะเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบปีเข้าไปนะเดี๋ยวก็เห็นผมขาวเดี๋ยวก็เห็นฟันหลุดเดี๋ยวก็เห็นตาฟ้าฟังเดี๋ยวก็เห็นหูตึงเดี๋ยวก็เห็นหนังเหี่ยวเดี๋ยวก็เห็นหลังคอมเดี๋ยวก็เห็นตัวเองเป็นนอนโยโรงพยาบาลเอได้ใส่สายออกซิเจนเข้าไปสายยางอะไรเข้าไปไอ้หลวงตูงหนั่ง เ, เป็นอย่างนั้นใหม่ เออคิดดสิเป็นอย่างนั้นไหมถึงเลี้ยงดีขนาดไหนก็ดีเป็นอย่างนั้นไหมไม่เหลือจากนั้นนี่แหละถึงจะเลี้ยงร่างกายดีขนาดไหนที่อยู่อาศัยดีขนาดไหนผ้าห่มผ้านุ่งห่มดีขนาดใดไห น, ไหนยาแก้โรคภัยดีขนาดไหนปัจจัยสี่ผลี่สุดก็ลงเอ่ยจุดนั้นไม่มีใครถ้าลงจุดนั้นแล้วไปที่ไหนเออ ในหลักของพุทธศาสนาไม่ใช่จบอยู่เพียงแค่นั้นท่านว่ามันมีอีกนะมันต่อไปอีกเ อ, อมันไม่ศูนญจุดนั้นเราต้องศึกษาแหละท่านนี่หรือเราจะเชื่อคนที่โง่เง่าตะตุนไอตาไลศูนย์อย่างนั้นเลยเหรอเออไม่เชื่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าบ้างเหรอพระพุทธองค์บอกว่าให้นั่งสมาธินะอยากจะรู้ให้นั่งสมาธินั่งขัดสมาธิกหนดลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตใจของของเรา รวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนั่นแหละจะรู้ได้ว่ากายกับใจใจกับกายเห็นชัดเจนนามธรรมกับรูปธรรมพระนกร้อ้พวกเราทุกๆท่านนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนะี่ยหลวงพ่อพูดในแนวการเป็นอยู่ด้วยและกับแนวความคิดที่จะเดินต่อไปภายภาคหน้าด้วยย้ําแล้วย้ําอีกสําหรับพวกเราให้ได้ฟังได้ศึกษาอตอนนี้ไปพระสงฆ์อันุโมทนาให้พรหนะลับพรนะที่นี้นะ